บุกทูหกสิบสี่ชสอีชติรการปฏิเสธหนึ่งเนกิรันเยอเดนผมไม่เข้าใจคำสั่บ Yes, n e g r a birams b o r o Јас го разбирам збурот. ผมไม่เข้าใจประโยคผมไม่เข้าใจความหมาย คุณครู น, นักคคุณเข้าใจคุณครูไหมครับครับผมเข้าใจท่านดีค ร, รับผมเข้าใจท่านดี คุณครู н а กสัคคุณเข้าใจคุณครูไหมครับครับผมเข้าใจท่านดีครับผมเข้าใจท่านดี ผู้คนลูเกลูเกคุณเข้าใจผู้คนไหมครับกีรัสบิราเตลลูเกโตีรัสบิราเตลิลูเกโตไม่ผมไม่ค่อยเข้าใจพวกเขาสักเท่าไหร่ครับเนยสเนีรัสบิรามมาดบรอเนยสเนีรัสบิรามสูมาดบรอ เพื่อนหญิงแฟนคุณมีแฟนไหมครับผมมีมมลูกสาว คุณมีลูกสาวใช่ไหมอิมาเตลิเกิร์กาอิมาเตลิเกร์กาไม่ผมไม่มีลูกสาวเนยยาสเนมัมเกิร์กาเนยยาสเนมัมเกิร์กา